เรื่องทรงอนุ ญ, ญาตให้กล่าวธรรมในวันประชุมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ประชุมกันกล่าวธรรมในวันสิบสีค่ำสิบหาค่ำและ8ค่าแห่งปัก